เพราะนั้นวัดของเราได้ทุ่มเทช่วยงานของหลวงปู่ของเราลงอ า, าของหลวงพ่อนี่ <c oughs> ขาวนี้เป็นว่าทำอย่างสุดๆทุ่มเททั้งกำลังคนทาทุ่มเททั้งกำลังทรัพย์ทำด้วยความเต็มใจเพื่อจะให้งานหลวงปู่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ผลงานงานที่ออกมาก็เป็นที่พอใจที่หลวงพอมองดูแล้วเป็นที่พอใจ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 คุณแม่ชีแก้วหลวงตาหลวงปูจ่จามแปลว่าทั้งหกท่านอยู่ในใจของหลวงพ่อที่จะเข้าไปดูแต่บัดนี้ก็ ง, งานก็สำเร็จลุล่วงไปแล้วจบไปแล้วท่านจุตินิรพานไปหมดแล้วมรณะไปหมดแล้วหมดภาระในการที่จะเข้าไปช่วยดูแลถ้าเป็นองค์อื่นก็เข้าไปธรรมดา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 แล้วก็ซื้อรถแอมเอมบอรนให้อำเภอหนองพอกแล้วก็ให้อำเภอนายยงแล้วก็ให้อำเภอน้ำโสมคันละล้านกว่าบาทแล้วก็ท่านมรณาภาพเมื่อวันที่หนึ่งมกราห้าเจ็ดเนี่ยแล้วก็จะประชุมเพลิงวันที่สิอดที่จะถึงน่ยวันนี้มั้งประชุมเพลิงวันนี้แหละวันที่สิบอดมกราห้าเจ็ดวันเสาร์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 มันรู้สิวมันมันจิตใจมันไม่กระเพื่อมเลยมองดูอยู่ตลอดเดียวนี้แต่ท่านดูดูละเหมือนกับท่านพยากรณ์พระอรหันนะแต่เราฟังฟังดูแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ท่านก็พูดลักษณะอย่างนั้นไอ้เราก็เออเอาดีให้คอยดูดูไปเรื่อยๆนะภาวนาไปเลยดูไปเรื่อยมันมีอะไรไหม ถ, ถ้ามีอะไรเราก็รู้ว่ามีอะไรถ้าไม่มีอะไรเราก็รู้ว่ามีอะไร ก็บกผมดูมาเป็นปีกว่าแล้วมันยังไม่มีอะไรท่านอาจารย์เออออกนี่แหละสรุปแล้ก็คือท่านภาวนาท่านองค์เนี่ยผมหลวงพ่อเองเมื่อได้ยินว่าท่านจากไปหลวงพ่อก็ไม่ได้อมีแต่อืทําไมทิ้งทําไมปล่อยไปเร็วนักนี่แหละเขาคนมีมนุ์หลวงพ่อเหมือนกันจะให้ไปแต่หลวงพ่ออ้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 โลกทุกวันเนี่ยมันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะมันมองคนอื่นมันมองคนอื่นคนนั่นน่าจะเป็นอย่างนั้นคนนั่นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนั่นน่าจะดีอย่างนั้นคนนั่นน่าจะกระทำอย่างนี้มันก็เลยย e ุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าทุกคนมองตัวเองหันหน้ามองตัวเองข้าพเจ้ามีจุดบกพร่องที่ตรงไหนที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าทุกคนมองตัวเอง เรื่องทั้งหลายคงจะน้อยลงกว่านี้หลวงพ่อว่านะแต่แต่วันนี้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะคนมองออกไปข้างนอกมากกว่าอคนนั้นน่าจะทำอย่างนั้นคนนั้นน่าจะทํานี้คือแต่งอยากจะให้เขาทําเมื่อเขาไม่ทําตัวเองก็เดือดร้อนอะไรตัว น, นี้น่แหละที่มันเดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี่ก็เพราะเหตุนี้แหละแต่บางทีมันเราอยากจะให้เขาทําแล้วก็มันคนนั้นก็นทําอย่างนั้นจริงๆ มันก็ไม่ดีจริงๆแต่จะทำยังไงถ้าบอกให้ทุกคนมองตอนเองเมื่อเขาท้วงติงขึ้นมาเราก็มองตอนเอง ต, ต่างคนก็ต่างมองเออใช่จุดที่เขาท้วงติงมานั้นเราเป็นจุดที่เราทำไม่ดีจริงเราควรจะปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เขาท้วงติงมาเนี่ยแหละอันนี้ทางต่างคนต่างลถทิฐิมานะ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 แสดงว่าคนที่ชอบโกหกนี่ยอย่าไปไว้ใจสรุปแล้วอย่าไปให้ความนับถืออย่าไปให้อย่าไปเชื่อยใจอย่าไปอย่าให้การสนับสนุนเพราะคนคนโกหกทั้งที่รู้แล้วจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นนะ่ะโกหกไปเรื่อยพราะในสุดหาที่สุดไม่ได้เพราะชอบโกหกนะเพราะฉะนั้นพวกเราทัท้งหลายนะใจของเราก็เหมือนกันนะให้ย้อนมาหาตัวของเรา ใจของเราอย่าโกงหกตัวเองนะให้ชื่อตรงชื่อสัตย์กับตัวเองนี่แหละถ้าพวกเรามีความชื่อตรงชื่อสัตย์กับตนเองอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดมีแต่ประกอบคุณงามความดีมีแต่ความสุขความเจริญในจิตในใจอยู่ตามลําพังก็สบายใจมีความสุขนะอยู่นสถานที่ใดก็มีความสุขเพราะเหตุบ่าวเรามองตัวเองผลสุดเราก็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 จะปล่อยวางยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรความรู้เท่ารู้ทันเรื่องของเราเนี่ยจะรู้ได้อด้วยตนเองเมื่อรู้เห็นตนเองแล้วจะนีน่น ะ, ะจะปฏิบัติตนอย่างไรจะวางตนยังไงเพราะชีวิตของพวกเราอย่างที่ว่าจริงไหมที่พ่อพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า เหมือนน้ำค้างใบบัวเน่กลิ่งไปกลิ่งมาอีกสักวันนึงก็ตกลงไปใครจะรับประกันได้อย่างที่หลวงพ่อที่ยกขึ้นมาว่าที่ท่านมรณาภาพอายุเพียงห้าสิบกว่าปีร่างกายยังแข็งแรงแต่เส้นเลือดแตกในสมองพอแตกเสร็จแล้วกันนะคงจะเป็นเส้นเลือดใหญ่พอสมควรปวุณณสุกันมรณะภาพ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 บังคับใจนะไม่ใช่บังคับนั่งให้เฉยๆนะถ้าบังคับให้มันนั่งเฉยๆใจยังเอือร่อยลมไปยังก็ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกทางถ้าบังคับใจให้นิ่งให้ได้สักหนาที10นาทีสัก10บนาทีก็เถอะนะแล้วยี่สนาทีก็เถอะสามนาทีมีทนแล้วเป็นคุณค่าทั้งหมดต่อไปไมันจะ เ, เห็นคุณค่าเราขยันเองทีนี่ไม่ต้องบังคับหรอก ท้านเราไม่ได้นั่งภาวนาแต่ละวันเหมือนกับมันขาดมันขาดขาดตกบกพร่องอยู่ท่านเราได้นั่งภาวนาเออวันนั้นสบายใจเต็มเต็มบริบูรณ์น่แหละถ้านเราทำสม่ำเสมอแล้วจะเป็นลักษณะนั้านขณะนั้นนะคณะสัทธาญาณโยมลูกหลานนะต่อนนี้ไปรับพรอ น, อนโมทนาให้พร